พองพางงดฉันไม่ลงมาฉันการไม่ลงมาฉันท่านอาจจะอดอาหารก็ได้เพ้อเผลอท่านอาจจะนอนตื่นสายเอา้าหลวงพ่อไม่ได้ให้คะแนนอย่างเดียวนะเผอเผลอพ ร, ะ, พระงวงเงียไปฮั่นอนตื่นสายก็มาไม่ทันหมูใช่ไหมเนี่ยมาได้ยังไงก็เลยอดไปเลยไหมตกหัวต่างอาบน้ําไปเลยแบบนั้นเถอะ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 เราอยู่ในสถภาพป่าป่าดงพงไพ่เราก็ต้องอยู่แต่ว่าทำพยายามทำให้ดีที่สดุดเมื่อพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเราก็ต้องพยายามอำนวยความอำนวยความสะดวกให้ดีที่สดุดแล้วก็พี่น้องโพเทีมมาอยู่ขาดเหลือขาดตกอะไรไม่ได้รับความสะดวกเอาก็บอกเจ้าของถิน่นเจ้าของบ้าน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 เพื่อจือนหยัดเพื่อความพร้อมเพียงสำมัครีไม่ให้ประเทศล้มฮะอก็หาทองคําเข้าคลังหลวงได้ถึงสิบสามตันกว่าทองคันทองดอลลาร์ได้สิบล้านกว่าดอลลาร์ไม่ใช่น้อยสาหรับคนคนหนึ่งสําหรับพระแก่อง์หนึ่ง เ, เป็นผู้นําชุมชนสังคมอพรที่สุคนะประเทศชาติก็ฟื้นตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อนะแต่ก็ต้องเชื่อฮ